ในระหว่างวันไม่ว่าจะขับรถเจอผู้ร่วมใช้ถนนเดินทางโดยสารระบบรถเมล์รถไฟสาธารณะหรือว่าไปทำงานไปโรงเรียนเจอกับบุคคลภัสา ต, ต่างๆแล้วเนี่ยถ้าจิตเรามีสติอยู่อย่างนี้เราลึกถึงลมหายใจของเราชัดเจนบ้างแผ่วเบาบ้างเห็นได้ง่ายบ้างเห็นได้เบาๆบ้างเราสามารถที่จะให้จิตของเราน้นไม่ไปเกลื่อกลวให้จิตของเราเป็นอรมันเดียว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 และเกิดคนเยอะค่ะท่านคะโอเคอันนี้อันนี้เป็นอย่างนี้โดยสิกขาบทเองเนี่ยตัวข้อนี้ก็คือว่าพึ่งทําการศึกษาว่าแตนะ่พึ่งทําการศึกษาว่าหมายความว่าคือคือถ้าทําได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีแตนะ่เป็นเป็นมารยาทที่ควรทำทีนี้ถ้าในกรณีที่ทําไม่ไดนะ้หรือว่าทําไม่ไ ม, ไม่ไม่สะดวกในการที่จะทำํำนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรคําว่าไม่เป็นไรในที่นี้คือหมายถึงว่ามันเป็นมารยาทนะนะคุณก็ผิดมารยาทข้อ น, นั้นไป อ๋อเป็นเรื่องมารยาทเช่นเดียวกันใช่พวกมารยาทนี่มีเยอะไหมคะกี่ข้อโอ้มีเยอะมากเป็นหลายร้อยข้อหลายร้อยข้ออ๋อดิฉันนึกว่าเป็นข้อห้ามตายตัวเลยเคร่งครัดว่าถ้าเขาใส่รองเท้าอย่าไปแสดงธรรมเพราะบางทีเราเห็นคนเยอะๆเนี่ยก็มีคนจำนวนมาก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 มีอีกประเภทหนึ่งค่ะคือเหมือนกับเป็นคนที่ชื่อเสียงเป็นที่รู้กันว่าเป็นคนไม่ดีในมาตรฐานของคนทั่วไปอืมพอเสียชีวิตปุ๊บทีนี้ก็ไปเหมือนกันคนไปกันนึกในใจเลยจบจบได้สักทีไปลงนรกท่านะ่าอะไรอย่างเงี้ยทําผิดไปเยอะคน <c oughs> ที่คิดเนี่ยค่ะคนคนที่คิดแบบนี้เนี่ยนะคื อ, คอตอนที่เขาตายเขาก็ไปตามกรรมของเขาแล้วนะค่ะไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วล่ะถ้า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 ของพระศ า, าสดา<ช>แต่ว่าในส่วนไปเพื่อนเป็นอย่างไรเนี่ยพยายามเลี่ยงเลี่ยงอมก็ก็ฟังได้อยู่แล้วก็อนุโมทนานขเขาก็ดีนะแต่มาว่าแต่ว่าอย่าให้มีความอยากไงแต่แต่ที่สําคัญที่สุดก็กลับมาพัฒน์มาดูตัวเองใช่ใช่นี่สำคัญน้ําหนักทิ้งที่การดูที่ตัวเองศรัทธานี่สําคัญใช่อย่าให้มีความอยากให้มีศรัทธาให้มีฉันทะอันนี้ถูกต้องเจมส์ว่า<อ> อย่าให้มีความอยากอย่าให้มีศรัทธาเอ่อแต่แต่ให้มีศรัทธาให้มีศรัธาให้มีศรัทธาให้มีฉันทาใช่ไหคะอย่างนี้นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านฟังท่านอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะเพราะที่ฉันก็ว่ามนุษย์ก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะจะคิดใกล้ใกเคียงกันไม่ได้ห่างกันไปสักเท่าไหร่แล้วก็คําถามของคนคนหนึ่งก็น่าจะเป็นข้อสงสัยของคนคนอื่นอีก อ า, อาจจะมากบ้างน้อยบ้างวันนี้ก็ต้องกราบนมรส ก, การขอพระคุณท่านพระมหาภัยบุญอภิปุณโนเป็นอย่างยิ่งนะคะนมรส ก, การคะ่ะเยนบานค่ะท่างฟังที่กรบค่ะรายการสันสนิมสนทนานะค ะ, ะถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะพยายามตั้งคำถามให้ง่ายๆแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้ตรงกับ สิ่งที่กำลังสงสัยซึ่งส่วนใหญ่ก็มีคำถามที่มันง่ายแต่มันตอบยากกันทั้งนั้ น, นะค่ะนะคะแล้วก็เราจะมีรายการสนทนาในลักษณะนี้ที่ดิฉันพยายามจะซักแทนใจของท่านผู้ฟังเนี่ยทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ของสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 แห่งนี้รายการชื่อสันสนีสนทนานะคะผู้ดำเนินรายการชื่อสรรสนีนาคพงศ์ติดตามรับฟังรายการกันในวันพรุ่งนี้พวสวัสดีค่ะ